วิชาเรารีว่าที่ที่เป็นกายยูสำหรับตอนนี้ก็เป็นบาระขอปิตการกสิณคำว่าปิตากาก็ว่าสีเหลวตอนจริงกสิณกองนี้ีเหมาะกับบรรดาท่านพุทธบริสัทว่า คนเครเารพในองค์เส้นเดชเป็นสัมมาธรรมบุจาอยู่แล้วก็ทุกคนชอบเวลาว่าพุโทโธอยู่แล้วเมืนเนี่ยกับสิ่งี้เป็นสินสีเหลือพระพุทธรูปส่วนใหญ่เขาว่าปิดทองสีเหลือแร่างการเดรัจฉานกับสิ่งกอนี้ไม่หนักใจไม่ลำบากเรือนคนอื่นเพราะว่าไม่ต้องทำตามพิธีกามที่ได้เขียนไว้ ว่าใช้สีเหลืองมาทาไม้กว้างขนาดนยาวต้นนี้เป็นวงคมอันนี้ไม่จำเป็นเราขออนุญาทพระพุทธบริษัทนั่งอยู่ข้าหน้าพระพุทธรูปพระพุทธรูปขนาดไหนก็ได้ตามชอบใจที่บ้านแลก็มีทุกบ้านถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองถือว่าเป็นปิตากาสีถ้าเราเลืกว่าเป็นพุทธรูปเป็นพุทธานพุกรรมฐาน เรือความว่าทำครั้งเดียวในกรรมฐานสามกอร่วมกันคือเรื่องรู้ลไม่ใจเข้าออกเป็นอนาปานติกรรมฐานมีความรู้สึกว่าสีเหลืองเป็นปิานตกรรากสินแล้ามีความรู้สึกว่าสีเหลืองนี้เป็นภาพของพระตัจจ า, ารติกรรมฐานก็ถือว่าเป็นการได้จำ น, นายจำบรรดาจำพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติ น, นี่เวลาปฏิบัติจริงๆถ้าใช้ตามแบบเดิมลืมตาดูภาพอันนี้ได้สองกรรมฐานแม่ดูภาพอยนะูล <c oughs> ้การลืมตาดูภาพล้วก็ทราบวันนี้คือพระพุทธลูกเป็นพุทธานุสติแม่เราจําภาพสีเหลืองเป็นปิตากากสินแร่หลังจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาค กำหนดรู้ลมใหใจเขาออกอ น, นิจจานาปานุสติเป็นสารยาจําภาพพระพุทธรูปด้วยจาภาพสีเหลืองด้วยถ้าจาไปก็ภาวนาไปถึเวลาภาาจะภาวนาว่าปิตกากัิลก็ได้จะพุดโทก็ได้ตามใจชอบว่ากรรมฐานสามกงร่วมกันถ้าภ า, าวนาแบกกิงสรูาวาว่าปิตกากัศิล ตต า, ากะและกะสีดำแปลว่าเราเ็สีเหลืองีวยวครื่องหมายสีเหลืองถ้าหาว่าคิดปเป็นพุทธานุสติกรรมภาวนาบุพเพทูถ้าเราจะภาวนาบาุพพุทโธด้วยนึกถึงสีเหลืองเลยก็ได้กสองอย่างไม่ขัดข้อเกลื่องความมรรคละภาว น, นาเป็นพุทธานตุติพุโทโธถ้าสีเหลืองเป็นบรรกาศีระสีภาพมุขตรลุกเป็นพุทธานุติ อย่าง ใ, ใจเขอแอกแวนมาตามปกติภาพภาพที่เรียนไปจากใจเพื่อเรียนตาดูใหม่เรียนตาดูพอจำได้แล้วกลับตาไม่ถึงภาพก็เหมือนเหมือนกันทุกองศาสิ่งทำไม่แตกไม่แตกแต่มาแต่แต่จัด ก, กันจำภาพพระพุรูปได้จำภาพสีเหลืองได้ถ้าวาจรจิงการจำภาพนี้มีประโยชน์มาก มาเคอใช่ในการก่อน <c oughs> แล้จําภาพได้แล้วเราจะนั่งอยู่ไหนก็าตามยืนที่ไหนก็ตามเดินไปไหนก็าตา ม, ไไหาตามให้จิตนึกถึงภาพนั้นไว้เสมอเสมอแล้วต่อไปที่ก็ทํากันบางคนก็นึกถึงภาพอยู่บนที่สระบ้างบางคนนึกถึงภาพอยู่ก้นบ้านบ้างบางคนนึกถึงภาพอยู่ในชั้นองบ้าง แต่ว่าทางนี้ก็คือเรื่องการคลั่งของคนนึกเห็นภาพนึกถึงภาคเห็นภาพใจเห็นและไม่ใช่ภาคเห็นไม่ใภาพกรากดฏนึกว่าภาคนั้นปรากดอยู่ภายในสองอกครนี้เป็นอรูปธรรมฐานด้วยเป็นการสิงด้าการูปด้วยแต่ว่ามันจำเป็นไม่ได้ถึงอรูปแต่ความจริงมันเป็นตามนั้นถ้านึกถึงภาคเป็นปกตินึกอะไรหรือถึงภาคดิมเนั้น ต่อไปบางครั้งภาพกระชัดเจนจำสายบางครั้งท่เาเหน่อยหางกระพรบโมฟลิสทำไมเป็นอย่งไอย่างนี้เป็นต้นพื้นฐานขอที่เป็นปัญญาถ้าเห็นเป็นภาพสีเหลืองธรรมดาถือว่าเป็นโอกาสในมิดดนติเบื้องต้นต่อไปถ้ามีความลางเกิดขึ้นอย่างนี้มีคนถามเม่อคือมีคนถามก็เห็นด้วยสีแดงโบติไม่เปลี่ยนสีอื่นอันนั้นอยรีบเกินไป การเปลี่ยนไม่ได้จิที่ขึ้นการเปลี่ยนขึ้นเดยวกับกำลังใจิเราเล่กสบนีสีแดเล่านสีแดได้แล้วก็ควรจะพอใจอยากไปแต่กับสีแล้วนึกถึงสีเหลืองได้แล้วก็พอใจเห็นภาพพรจารุณได้แล้วก็พอใจตอนหลังก็ตั้งใจใหม่ก็เห็นภาพนึกถึงภาพได้ เรากำหนดใจคิดว่าให้อารมณ์ทรงตัวให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นนานได้เราฝึกกันแบบนี้ไม่ใช่เพื่อได้รัดในการเปลี่ยนสีทั้งได้รัดในการเปลี่ยสีนิดอย่างให้สีเปลี่ยนอย่างีจิตจะเป็นจะเป็นอุจจากะกุจาระกุฟุ้สั้นสมาธิจะสลายตัวแม้แต่เพียงเห็นภาพสีเหลืองได้จําภาพรูปได้ให้เราพอใจ อาใจตอนนี้ไปเคลื่อนกำลังใจจัดส่งภาพนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะดป็นนานได้แต่จงย่าลืมบ้านใหม่ๆอาจจะได้ไม่ถึงครึ่งนาทีภาคสลายตัวก็ได้ถ้าภาพสลายตัวแล้วก็เลื่อนเลืนตาดูภาคใหม่ดูภาพใหม่ ด, หมดูสีใหม่แั้กระดับตาไม่เป็นภาคท่านแบบนี้เรื่อยๆไปนะันตะเข้าจะมีการสวยตัวนาน การทรงตัวจะนานหรือม่นานอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเวลาภววนาก็ดีจิตทุกภาพก็คิดถึงภาพก็ตามจงอย่าที่ลมหายใจเข้าออก <c oughs> ลมหายใจกขาออกที่จะดึงจิตให้ศรงสมาธิอยู่นานแอนนานเพาะาการสรงสมาธิเห็นภาพไม่จะเป็นสีเหลืองก็ตามยังไม่เปลี่ยนสีก็ตามนะ ถ้าสามารถคุมได้เพียงห้านาทีโดยไม่กอ่ออารมณอางอื่นเรามุกเกาะเกษินอย่างเดียวหรือภระพระพุทธรูปอย่างเดียวถ้าสามาร่คุมได้เพียงห้านาทีอย่างนี้เวลาคุยกัเทวดาหรือผมต้องคุยได้เป็นชั่วโมงเพอนักสองสารชั่วโมงก็ยังคุยกันได้คุยได้นาน นั่นในตอนต้นแล้วเลเห็นภาพเป็นสีแล้วให้พอใจต่อไปพยายามควบคุมกำลังใจต่อไปถ้าสมาธิดีขึ้นภาพหรือสีจะขยายตรงขึ้นแจ่มชัดเจนจำใสขึ้งกว่าเดิมแล้วก็เราจะมีความรู้สึกนยกว่าขอภาพผู้จงใหญ่ขึ้นขอสีชัดเจนจำใสขึ้นภาพ สีนี้จะสูงขึ้นลต่ำลงอยู่ข้างหน้าได้ยอยู่ข้างหลังได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นโอกาสในมิตขนาดกลางตาไปที่เป็นออกาสในมิตขนดัดใกล้จะสุดท้ายภาพสีที่ปรากฏเป็นสีเหลืองจะค่อยๆคลายตัวแล้วครจากมาทีเดวน้อยเดียว น, น้อค่อยๆจะหาความเป็นขอขาวอันนี้อย่าเล ร, รับนะ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเองจะคิดถ้าคิดอยากให้ขาวนไม่ขาวน่จะดำต่อไปจะสลายตัวต่อไปก็ยัอขาวถ้าถ้าจิตสีเรื่จางลงแบบนี้สดงว่าจิตดีขึ้นสมาธิสูงขึ้นเมื่อสมาธิสูงขึ้นเป็ที่สุดเต็มอุปจารสมาธิหรงอโอกามกาิมิตตมัตราภาพใดก็จะกลายเป็นสีขาวทั้งหมด เย็นสีอย่างเบลวีสีขาวก็ได้พระพุทธรูปพระองค์เปสีขาวก็ได้ขาวจังขาวสะอาดมากอย่างนี้จึงโอกาสในนิส anyway. ัยมาตราอย่างนี้ก็ถืว่าจิตขัดถูกอุปจาระสมาธิเป็นที่ความเป็นที่ของจิตเป็นมาตราตอนนี้ที่เราฝึกที่ปิจอรยังกัน จะลืมว่ากระสินสีเหลืองนี่ก็เป็นกระสินระงับโทสะเหมือนกันเป็นปฏิปักษ์กับโทสะจริตถ้าแทงกระสินสีแดงก็ดีสีเหลืองก็ดีสีเขียวก็ดีสีขาวก็ดีทั้งสีสีนี่ถ้ากุบคนใบทําแล้วจะสามารถรับโทสะจริตได้ดีมากแตก่ค่อยๆระงรับมาเรื่อนะถ้าจิตเป็นฌานทรงตัวฌานได้สองสามนาทีก็ตาม ทำเป็นชาไม่ะุกวันจะสอไปจิตจะมีการโรงตัวโทสะจะก็คลายตัวลไปมากจนรท่าถึงขั้นอารมณ์โศไม่สะดู้งประเจนด้วยคำลิทาว่าร้ายก็จึงพยาามทำกันต่อไปเมื่อสีขาวที่ทสุดแล้วก็จะเปิ่มคิดว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกสีขาวอย่างนี้จะสโสงตัวอยู่นาน หลังจากนั้สีขาวก็ค่อยเป็นคลายคลายจากสีขาวก็ค่อยๆเป็นแก้วทีละน้อยๆตอนนี้เริ่มจะเป็นชายใจเข้าสู่ประตเขตรประตูแม่ชายในที่สุดเขาก็สีกลางนี้ก็เป็นแก้วทั้งหมดแก้าใสสะอาดมากอย่างนี้ถือว่าเป็นองเป็นเป็นชานสมาบัติแล้วนะเป็นปฏิภาคนิลิศถ้าเรียกนิลิตเรียกว่าปฏิภาคนิลิศ อาเลแต่กำลังวัฒน์ชายวัฒน์วัฒน์ชัยคือเอความบ้าเอาเงสิ่งนักพูดกันและเูดนายก็น่ารำคาญและเหนื่อมากเป็นการฝึกในการทรงสมาธิได้ดีกันเองในการฝึกทรงสมาธิเราฝึกกันทำไมก็ฝึกเพื่อหการในการตัดกิเลสในการตัดกิเลสถ้าตัดไม่เป็นไม่เข้าใจในการตัด ก็มีสภาพเหมือนจะเหนื่อยเปล่าโดยมากมาจากหักของคิดว่าเราจะทำลายกิเลสทั้งหมดให้สิ้นไปนี่มันเป็นไปไม่ได้กิเลตมันมีในขั้นตามตอนท้ายมีกําลังสูงมากเราต้องค่อยๆจับตามอาการการกําลังข้งขั้นตอนเนี่ยขั้นแรกก็ต้องจับอารมณ์ของมัสโซดาบันก่อน ถ้าเราได้กังสิ น, นสเราจะสมาธิในกนสินจะดีมากเอาสมาธิตัวนี้เข้าไปบังคับบังคับอารมณ์ของใจอารมณ์ใจก็เรามักจะลืงความตายคนเราเห็นชอบได้เขาตายเห็นได้แต่ไม่นิดตัเราจะตายเองใ น, นเมื่อชอบลืงความตายแบบนี้ตามปกติธรรมดาก็ใช้กระสินก็นมบังคับสมาธิกักังสิน เวลาที่เริ่มทำสมาธิก็ต้องคิดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงร่างกายของคนในความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปลี่ยนในท่านกลางในการสลายตัวเป็นระดีสุดให้จิตเป็นน้อมเที่ความตายได้จริงๆมาเล็งที่ความตายได้จริงๆก็อย่ากระตุ้นอย่าสนุกอย่าสนุกสนุทือน ก็คิดต่อว่าถ้าเราเกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรกีรังย่างเยินไกลเกิดขึ้เราก่อนตายก็เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขอ น, นิพพานิสัตถ์เกิด <c oughs> บานนีแต่ความทุกข์ทุกอย่างคิดต่าอืนกันกันความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความปา่าถน้าไม่สมหวัก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ การพักใต้ใจของรักของชอบใจกระทุบความตายกระทุกจ้าบ้าเจ้าหยทุกมันมีประจำวันถ้าคนมีปัญญาย่อมเห็นทุกข์ก็ใช้ปัญญาทบทวนดูว่าการเกิดชาติไหนบ้างที่เราจะไม่มีทุกข์ถ้าเกิดเป็นคนก็คนประเภทไหนบ้างเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ใจว่าไม่มีเลย ฐานะตัณยาจบถึงาราชาเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันป่วยเหมือนกันพักได้ใจคอรักคล้องชอบใจเมื่อวันตายเหมือนกันหมดแต่ฐานะความเมียวย์ยจะแตกต่กงกันแต่ความผู้คนี็เหมือนกันใจคิดต่อไปว่าถ้าเราจะเกิดอีกทักงแสนชาติเราก็ต้องพบแบบนี้ทั้งแสนชาติถ้าเราไม่เกิดเป็นคน เราเกิดเป็นเทวดาหรือผมเราก็เพนทุกชั่วคราวถ้าหมดบุญสารรมาระมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมันใหม่แล้วก็ไม่ดีอีกแลองความแล้กคิดว่ากายเกิดเป็นว่ายเกิดเป็นเคยเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นคนก็ดีดดมดไม่ดีจริงสิ่งที่ดีจริงแรกคือนิพาย ถ้ารคิดว่าชีวิตนีม้มันต้องตายใช้ปัญญาในาน้อยก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดจะสร้างความดีอย่างนี้ถือว่าตัดสิ่งเรื่องข้อที่หนึได้คือสกายะทิฏฐิต่อไปก็ตัดสิง่สงเรื่องข้อที่สองพระโสดาบัยกสิธาคามีที่มี3ชมทุนสข้ออี ก, กตัดวิจิกิจฉา ค, คือความสงสัยในความดีของพุทธเจ้าพระธรรมพรอริยสัจ เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจา้าคำสอนพระพุทธเจา้าเราไม่พบท่านเราไม่พดตัวท่านแต่เราพบคําสอนของท่านความนั้นคํานี้คำสอนพิจารณาว่าคำสอนของท่านมีประโยชน์หรืคุณเป็นคุณและอเป็นโทษมีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงเราจะทราบว่าพระพุทธเจ้าสอนเพื่อความสุขไม่สอนเพื่อความทุกข์ อย่างนี้แล้วก็หมดสงสัยในความมีเขาวอาโอ้ยถ้าเราใกล้ควรเราก็ทำปฏิบัติเราพอใจและมาทาด้วยอัออออยอออนนี้ต <c oughs> ่อ่ไปก็นึกฟังถพระอริยสงฆ์หรือพระอาจัรย์เม่อไราระอาจรย์เมื่รที่จดจำถ่ายคำพุทธเจ้ามาสอนพวกเราท่านดีขนาดไหนแลก็เห็นว่าดีทั้งศาสตร์นามาสอนแล้วก็ยอมรับปฏบัติ โยงความว่าเรายอมรับลับถีพระพุทธเจ้ายอมรับลับถือพระธรรมยอมรับลับถืพระอริยสัสำหรับพระสวตมาใช้คำพ่าอริยสัเพราะว่าที่ไม่ใช่พระอาิยะก็ม่แน่นอนนักบางทีที่โลกเกเียเกยก็มีก็มีถ้าพระอริยะนี่ท่าดีแน แต่มึมไม่สงสาัยยอมรับนักถืออย่างนี้ได้จริงๆยอมรัถือมึงเป็เจ้าจริงประ ท, ทานจริงพระอริยเสงฆ์จริงก็ถือว่าตัดเส้โยกข้อที่2ได้คือวิกิจฉาใกล้ความเป็นเสดาบันแล้วต่อไปก็ตัดข้อดีสามสิลปัจจารามาสสีลัปัจจารามาสคือไม่ทักษารจริงจริงเจ้า ตัตัอารมณ์ไม่จรงิงจังเพิ่ไปด้วยกำลังของฌานหรือกำลังสมาธิในกสิณใช้การเยี่ยธรรมจะจนึกาใช้เพ่งผาดกสิณด้ก่อนนจิตสรงตัวจากภาดกสิณชัดเจนจำสายตายกำลังที่ผ่งทำได้ถ้ากำลังใจจะไปหายาตายน้อมใจหารุเจ้ากระทาพระอริสโณน้อมใจก็ไปห า, า, า, ห า, าปศหาีถ้าน้ําใจก็ไหายจะไล่เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน แล้วก็ทิ้งอารมณ์นั้นจากพลาดระสิ่งใหม่ระบายตอกมาแบบนี้นะต่อไปก็ใบไข้ควรเรื่องสินค้าก็กกหมดสิทธ์ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นคนณหรเป็นโทษเราก็เห็นว่าเป็นคุณเรื่องสิต้องมีเมตตาความรักกุณาความผูสารเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีเมตตาความรักไม่มีกุณาความผู้สารเป็นพื้นฐานสินจะไม่ส่งตัว คนไม่สา ม, มารถรักษาสิ่งใดเมื่อว่ า, ากันโดยย่อแล ะ, ะเฉพาะความรักก็ดีความคุณนาก็ดีเขาสองอย่างทำให้จิตชื่นบานคนทุกคนที่มีความรักกันมีความรักษาซึ่ง ก, กันและกันเจอได้กันก็มีเป็นความยินยอมแจ่มใสมีการสดชื่นทุ่มเทตั้งกันแลกันอย่างนี้ก็เป็นขอความสดกุ้ยพื้นทผงเขาสิ้น ต่อไปสิ่งที่ปฏิบัติมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ขังกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์2องไม่รักทรัพย์สามไม่พิจกตรในการสีไม่ดื่มสุราในไยแถนชิน 5, ้นห้เขามานิดหนนี่เป็นทางการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำํำร้ายสิ่งในการก็มีเป็นความยือกยิงของจิตเป็นฟันการสร้างสามัคคีการไม่ขโมยของไม่แย่งของกายก็เป็นการสร้างสามัคคีสร้างความรัก การยื้อแย่งคนรด้ก็เนการสร้างความรักตะวันขึ้นไม่ดุมสุราไม่ไรก็ทำให้คติสัจญญาสมบูรณ์เป็นเรื่องของความดีที่พระเจ้าสอนทางกายเราก็น่าจะรับไปอันนี้ก็ใช้ปัญญาเล็กน้อยต่อไปก็ทางวาจาที่พระเจ้าแนะนำไม่สี่อย่างที่หนึ่งไม่พูดอดสองไม่พูดคำหยากสามไม่ส่อเสกเข้าไปร่วงกัน ที่ไม่พูดวาจาเพี้ยเดี๋ยวไหลไรประโยชน์ฟังแล้วก็เห็นแบบ ก, กา ร, ป, รปฏิบัติตามนี้เป็นของดีคนทุกคนจะยอมรับปฏิเสธซึ่งกันและกันที่ความรักความเกลียดจะเกิดสึงกันแกันส่วนใหญ่เรื่องพระวาจาเป็นส่วนมากถ้าเราไม่พูดปดที่หยัง่งไม่พูด ก, กัญญาไม่พูดนิโยงเข้าใจร่ากันไม่พูดเหลวไหลก็เป็นที่รักของค น, คนทุกคนยิ่งโดนความข้อนี้คนรักขี ต่อไปก็สอนได้กำลังใจแนะนำและกำลังใจใ็กใจใ้กำลังใจมีสารขึ้นหนไม่คิดอยากได้ซักสักใบเขาบุคคลอื่นใบโดยไม่ชอบทำ <c oughs> อย่ากรูความว่าร้อนใจก็ไม่เกิดในการมีสารไม่จองได้จองผายใครความเปิดจงพมมีอยู่บ้าแต่แม่าขาดมาหลายในการมีสามมีความเหม็นตรงตามที่เจ้าส่งสารให้ปฏิบัติตามท่จียม ถ้าจาใจกันได้อย่างนี้ทุกคนบรรดากักพุทธบริษัทจะอันเรียกว่าประสูดาตานทีนี้ต่อไปก็จะเป็นพระสีทาคามีพระสินทาคามีนี่ไม่เคยพูดถึงเลยพระสีทาคามีก็ละธรรมีเองเพราะว่าเพิ่มบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความโหยไม่หมดยังไม่สลายตัวแต่บรรเทาเบาลงไป <c oughs> อะไรพระบาทในเมื่อคนเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระอารียเจ้พระโสดาบันพระสิทธาคารมีไม่โปรซาตยังไม่ต้องเลิกการแต่งงานนะคนยังไม่แต่งงานก็แต่งได้แต่งงานแล้วก็ยังไม่ต้องแยกกันต่อแค่สิงข้าคำหัวสิบไม่จําเป็นต้องแงกรราากยกกันเยังมีสภาว่าปกติในการแต่งงานอยู่ต่อมาท่านในขั้นพระสิธาคารมี การที่จะบรรทาก็เป็นเมื่อจิตที่เป็นมั่โซดาบันจิตเรื่องเดือดเยี่ยงเยอะเยี่มากอารมณ์ใจสบายมากอารมณ์ธรรมดาย่อมเกิดมั่โซดาบันคำว่าธรรมดาก็หมายความถ้าอะไรจะผลเกิดขึ้นโยโย่ถุงช้าไรก็ด่าอันดับแรกจะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนเกิดมาถ้าถูกดาแบบนี้ที่เป็นความรู้สึกของมัรโซดาบันแ้่ว่าดาแรงแรงแล้น่าเข้าใหม่ไหวแล้ว ยังพระโสดาสัง่งอยู่ว่าย่ย่งอแต่ยังไงไงพระโสดาสก็ไม่ถึงสั่งความไม่พอใจอจิเนยุบบ้างแต่กวามคัดไม่มีใ <c oughs> น, นเมื่อรงธรรมดาเกิดขึ้นความรู้สึกในความโวภก็บวันเทาตัวหนเลยก็มีความรู้สึกว่าเราจะโลภโมตัวสั่งกันบาดใจก็ตามเราก็ต้องายเพราะว่าการธรรมะกินต้องทํำกินกันแน่ ดูตัวอย่างเราสาขาำาหาบาศิกาคุ้ได้าริธีการเศษยีทานเป็นมหนาเศรยีใหญ่ว่าพบสมเด็จสัมมาสัมพเจ้าใหม่ๆตั้งเทศจบเดียวเป็นบรรโสดาบัน <c oughs> แต่ถึงแม้ข้าพเจ้ายังประกอบอาชีพอยู่มีลูกน้องควรใช้เป็นพันๆคน <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะไม่จะเป็นคนจนเมื่อธรรมกินอย่างนี้ไม่ถูก ยังป้องทำกินเป็นปกติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในขอบเขตข้งสิ้าได้กำหนดสิทธิและจิตคิดอย่างนี้ก็บรรเทาวรมความโลภความยิ่งโลนในการประกอบอาชีพกันน้อยลงอาชีพยัปกติแต่ยิ่งลนอยากจะรวยเกินกว่าดีแมื่มีอารมณ์น้อยลแอ่กา ร, รนี่สองบรรเทาโทสะประกบพระโสดาบาันสกิทาคารี จะโซนตัวได้ก็ต้องมีเมตตาความรักกับนายตามสองสามว่ามีสิงยืนตัวเมตตาความรักก็ดีกัายตามสองสามก็ดีก็เป็นตัวทําทำลายโทสะถ้ามีเมตตายืนมากป็นนายเย็นหน้าโทสะก็เกิดมาได้บางครั้งจะรอดเข้ามาได้บ้างแต่ว่ามีอาการเม็ดไม้มันชาก็ถอยไปคก็มองความว่า ในเมื way, ่อม so so ีแม่ตายกุลาสองตัวทารห้เสีงส่วนตัวได้โทสะก็ค่อยๆสลายตัวยาจังไม่หมดนะมีแต่การเบาลอยต่อไปการทำลายโมหะโมหะความเหยเห็นจะชักขึ้นตอนต้นที่ท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกว่มาโมหะก็ค่อยสลายตัวลงาล้วใการนี้สองยอมนักนาถอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสอิสรามหะก็เบา ในกายที่สาไม่เมาร่างกายทรงศีลและวัยสุดปลอดมีเมตตามุญนาถสมนด็จใจเือความโมหะความหลวงและประโยนดาบานกสิกิธาคาร ม, มีอาการเบามากแต่ว่าถ้ามาพระสิกิทาคาร ม, มีดัมรานดาญาเย็นพระศวรรษก็ทราบไว้ได้ไมี่กันแคนที่แนเล่านี้ใครจะบุประโสชดาบานเบ้าสิกิทาคาร ม, มีเบ้าจนไม่ทวารทราบ ถ้าบังเอิญจะมีขึ้นมาบ้างไอเกีตามนี้คนใดก็าตามทักปฏิบัติกรรมฐานอยู่ไอเสกีตัวอารมณ์เนอไม่ลือความตายแต่ไม่ใช่เนื่องความตายทุกดวงใจเขาออกต่ก็มีความแม่ตมาตนชีวิ ต, ตการีสองเขารูวพว้พระพุทธเจ้ า, จ, าจริงมาทำจริงพราอาญยสองเกีย รายการใน3เมษายน5คำว่าสิทธิ์คดทุนจรเงอวิ น, นีสคัญมากต้างคดทุนจริงๆไม่จะเผลอบ้างไม่เผลอคําว่าเผลอไม่มีเพรว่าการคลั่งพลาดหรือไก่สักเดินมามองเห็นโดนของระทับตายในยของธรรมดาเขาไปถือมิตนโทษการคลั้งเผลอคิดว่าเผลอทำลายสิ้นขัดไม่มีการเสนอดาวไปกับสิทธาขาคามี เมื่อไม่เผยแบบนี้แล้วก็สังเกอตอารมณ์ว่าจะเข้าถึงขั้นบรรเสดาบรรนิยาวต้องดูอารมณ์ก่อนถ้าอารมณ์เข้าทัดกังขณะย่ำฝึกอยู่จะไม่อารมณ์จะไม่ถึงนิพพานถ้าฝึกไปบุปไปถ้าอารมณ์เข้าทุกโคต ร, ระปูยานเวลาแล้วอารจะต้องการนิพพานจริง ไม้ความว่าการต้องการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็เจระดาก็ดีเป็นพระก็ ด, กดีไม่มีแต่บุคคลแล้ น, นจะทําทุกเสียงทุกอย่างหวังนิพพานอย่างเดียวจิตเราไปผ่านอย่างเยิ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเวลาเราเข้าทุกค ง, งทะหูยางของอุศดาบังแต่ว่าพเข้าถึงอุศดาบังเกียวอารมณ์ธรรมดาเริ่มเกิดปุ๊กผ่านยาลัตอยู่ ต่ทุกเสียงทุกอย่างในเรื่องที่นอาเป็นธรรมดาแต่ก็ยังไม่แน่นอนท่าว่าหลังนะ <c oughs> แต่ก็มีลมเบาๆาเย็นกูดาปักธรรมดาทุกคนทีเกิดมาก็ถูกด่าแบบนี้อันดับแรกก็ธรรมดาอามารับก่อนแล้ไม่ต้องมาคับก็ล อ, ออกมาเองการมีกายป่วยไข้ไามา่สบายเกิดขึ้นความรู้สึขกข้างในก็ธรรมดาของร่างกายต้อป่วยอย่างนี้ เัลยทุกกาเตนาไม่เกิดขึ้นเราโคค้างบ้างยืนล้นบ้างหาหมอรกษาบ้างเป็นขอธรรมดาเจะเจ้าย่างสงษารก็เออซึ่งมีหมอกรุาพักษาอยู่ที่ความอารโสดาบันมีความเบาเดาในสิ่งนี้ก็ต้องการความดีเข้ามากับสันเสถินก็ตามินทางต่างเข้ามาจะไม่สั่ือนมากอนดับแรกจะไม่รู้สึกสั่งระเทือนเลย แต่ว่าหลักๆนั ก, นกข้าก็หวันไหวเล็กน้อยแจก็ไม่ถึงกับอาคาตเมื่อโมดาตัน่นพอต่อไปจิตในการชินข้าวฟาเป็นพรสิทธาคามีก็เข้ามาเถียพระสิทธาคามีเข้ามาจะมีความรู้สึกในโลกจะไม่เกิดปรากฏในจิตในการทุกอย่างในหน้าที่ตามครบถ้วนกานทุกอย่างที่ต้องทำทำครบถ้น แต่เรื่ความโลภจะไม่ปรากฏในจิตยิ่งลมไม่ปรากฏความโกรธจะไม่ปรากฏความหนื่อยร่างกายจะไม่ปรากฏโดยเฉพาะอย่างยืง่อให้เกิดเปลีายคะาความรักในระหว่างเกล้กับความโกรเกี่ยวได้ทถ้งสาวแการนี้ทั้งสิกขาคารีเบ้องปลายที่ใกล้อนาคามีจะไม่มีความรู้สึกเป็นปกติ ว่าเพื่อก็ดีอารมณ์ความตัวก็ดีจะไม่มีความรู้สึกเรื่องสีทาคามีพยายามประจันหน้ากันแต่เวลาอยู่สงัดกันมาสักเดือนมาค้สางสองครังอาจจะมีบ้างนั่นคือเวลาอยู่สงัดว่าอารมณ์ใสก็จิตปฏิอารมณ์รายคะเกิดเกียงพับตัวก็ดีโทสาเกิดพัดเหนือดีก็ก็สลายตัวไปจะไล่สงนาน้วยสางนาที อย่างนี้ญากโยมพวกเราสัตว์จะเข้าใจว่าท่านเป็นพระสุคิทาคามี้โลกไตรใกล้จะเป็นพระอนาคามีพี่กวาว่าการพูดวันนี้จไไไาได้หรือไม่ได้โดยศาสตร์เพียง่เสียงไว้ประจามเองนะเจอแล้วพ่อพูดเองจาไม่ได้ดีกว่าพูดว่าอะไรกันรดยเนี่ยเราความอันดับแรกเกี่ยวกับศีลก็ศีลธรรม ก็เป็นการสรงอารมณ์ก็สมาธิฝึกอารมณ์ส่งอมสมาธิมันเองอย่าลืมว่าวิญญาณฝึกอารมณ์สมาธิให้ได้ได้นานที่สุดเท่าที่เป็นนั้นได้แต่อย่าฝืนใจนะถ้าจิตเรื่องทุกข์ซาตุกซ่านเรื่องขุนต้องรีบเลยอย่าฝืนใจถ้าต่อไปเอาสมาธินี้เข้ามาคุมมารดาลึกถึงฐานขึ้นถึงความตายย่ามันเว้น ข้าว่าคุมย้ายเกิดความสงสัยในพุทธเจ้าในประาำในพระอริยสงฆข้าว่าคุมในสินห้ากรรมสิจย้ายคลาดจากกายะใจกระบาดใจเมื่งความว่าถ้าปฏิบัติได้นี้ทุกท่านสามารถเป็นได้ประโสชน์ดาเตศริธาคามีถ้าวตั้งได้เป็นประโยดาบังที่ไปกรมีวียงนี้ผ่านแน่แน่แนอนตอนนี้ไปพระดาจักรพุทธวิสัชมาเปลาพระจี ตาตุ้งตาใจสมาทานศีลสมาทานละกรรมฐานนี่คือติ๊กแ